ที่สารุธร์ทุกอาการไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้จะถึงไม่มีผู้จะเป็นไม่มีผู้ไปลองรับอาการเหล่านั้นไม่มีผู้ไปเสวยอาการเหล่านั้นมันก็ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ทุกข์มันก็มีแต่เพียงแต่อาการนั้นปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าในขณะปัจจุบันนั้นนั่นแล้วไปดับไปแล้วก็เปลี่ยนไป เป็นแต่อาการที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนั้นชั้นเดียวชั้นเดียวเป็นสังขารพุ่งแต่งอย่างเดียวเลยแต่สังขารพุงแต่งเท่านั้นที่เกิดขึ้นหรือจริงใดจิึ่งเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นก็ดับไปเปลี่ยนไปแล้วก็พงแต่งกันมาใหม่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปพุงแต่งกันมาใหม่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปไม่มีความรู้สึกว่ามีเราเข้าไปรองรับไปสำวยอย่างนั้นถึงแม้มันจะมีความคิดว่าเรายังไม่ถึงเลยไม่เป็นเรายังไม่เข้าใจนี่ แต่ก็เป็นก็เป็นสังขารปรุงแต่งใขณะปัจจุบันนั้นนที่คิดขึ้นมาการเรายังไม่เป็นยังไม่ถึงเราไม่ได้แต่แล้วก็เป็นเพียนความคิดนั้นก็เป็นเพียงสังขารปรุงแต่งเดี๋ยวก็เออรเรายังไม่ถึงนี่ความคิดหรือความรู้สึกที่เรายังไม่ถึงก็เป็นสังขารปรุงแต่งในขณะปัจจุบันนั้นๆมันก็เป็นแต่สังขารปรุงแต่งในขณะปัจจุบันนั้นๆอย่างเดียวเลยแล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปเป็นชั้นเดียวไม่มีความรู้สึกมีเราเข้าไปเสวยไปรองรับอาการเรา ชั้เดียวก็คือความมีอาการอย่างไรคิดอย่างไงมีอารมณ์อย่างไงมันก็คืออย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นแต่อาการอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนไปดับไปแล้วก็มีแต่อาการอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นแต่เพียงปฏิกิริยาหรืออาการที่เกิดขึ้นมาที่ปรากฏขึ้นมาที่เป็นสังขารขึ้นมาแล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปได่ว่าจะมีความรู้สึกว่าเรายังไม่ถึงเราไม่เป็นก็เป็นสังขารองแต่งที่เกิดขึ้นใหม่ในขณะปัจจุบันนั่นเอง พอมันรู้สึกไม่ได้อย่างใจอย่างไงพอรู้สึกไม่ได้อย่างใจก็เป็นสังขารประแต่งนั้นใหม่ที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันนั้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปอย่างนี้ที่เรียกว่าชั้นเดียวชั้นเดียวมาถึงว่ามันมีแต่การเกิดใหม่แล้วก็ดับไปเกิดใหม่แล้วก็ดับไปเกิดใหม่แล้วก็ดับไปมันก็เปรียบเหมือนฟ้าแลบบททองฟ้าพอแลบเสร็จแล้วมันก็ดับหายไป เดี๋ยวก็มีฟ้าแลบอันใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปฟ้าแลบอันใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปมีแต่ฟ้าแลบอันใหม่เลื่อยไปมีแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองมีแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นอย่างนั้นเองเขาเรียกว่าตัางการตั้งแต่มแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นเองแล้วก็ดับไปหายไปเหมือนฟ้าแลบไม่ปรากฏล่องรอยอะไรเลยแม้แต่เธอบอกว่าให้พาคนอื่นมาดู วันนี้เมื่อกี้ฉันเห็นฟ้ารับตรงนี้เนี่ยฉันเห็นฟ้ารับตรงนี้แต่คนอื่นก็ไม่มีสไม่มีใครใครรู <t ics> <t ics> <t ics: ้เห็นได้เลยว่าฟ like ้ารับตรงนี้มันเป็นยังไงเพราะไม่มีประกฏล่องลอยนี่เธอก็มาบอกฉันว่ามาบอกคุณีคนนี้ว่านี่ไงเมื่อกี้คิดอย่างนี้ไงเมื่อกี้คิดอย่างนี้เมื่อกี้มีอารมณ์อย่างนี้แต่ที่คิดอย่างนี้มีอารมณ์อย่างนี้ยเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเราก็เหมือนฟ้ารับที่มันหายไปแล้วไม่มีใครสามารถรู้ได้แต่รู้อันใหม่ที่เธอมาบอกว่า นี่งเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ฉันคิดอย่างนี้นี่เมื่อกี้มีอารมณ์อย่างนี้ไอ้เมื่อกี้ที่คิดอย่างนี้เมื่อกี้มีอารมณ์นี้ก็คือฟ้าแลบอันใหม่ไม่ใช่อันเก่าแต่พยานจะบอกให้เขาดูคนาดูเขาดูบอกให้ผมดูว่านี่เมื่อกี้คิดอย่างงี้เลยเมื่อกี้มีความรู้สึกอย่างนี้เลยมีอาการอย่างงี้เลยแต่ความคิดอย่างเมื่อกี้อารมณ์อย่างเมื่อกี้นี้มีอาการอย่างเมื่อกี้นี้มันดับไปแล้วเหมือนฟ้าแลบหมท้องฟ้าต่อให้ชี้ใครดูก็ไม่ไม่มีใครเห็นเพราะมันไม่มีล่องลอยของฟ้าแลบที่ไหม้อยู่บนท้องฟ้าเลย ไม่มีร่องรอยที่มันไหมอยู่ในใจไม่มีมีแต่อารมณ์มันใหม่ความคิดอันใหม่อารมณ์มันใหม่ความคิดอันใหม่อารมณ์มันใหม่ความคิดอันใหม่มันฟ้าแลบอันใหม่ที่ปรากฏเลื่อยไปต่อพยาานจะชี้ให้ใครดูยังไงก็ตามนี่กำลังมีอย่างนี้อยู่แต่ก็เป็นอันใหม่อีกเพราะอันเก่าย่มดับไปแล้วมีแต่อย่างนั้นเนี่ยเท่านั้นเองจึงเรียกว่าชั้นเดียวคือปีจากปัจจุบันเท่านั้นเอง ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปัจจุบันเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดค้างอยู่ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีอะไรที่เราจะไปถึงอะไรไม่มีนะเพราะมันมีแต่การเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไปมีแต่ความเข้าใจอย่างนี้อย่างเดียวเลย